จกิจวัตรประจบวันเตื่นเช้าเวยก้าหลังยามโบราณท่านว่ายามสินยามทรรมยามสติยามสมาธิยามปัญญาเราจะพอมีหวังได้อะไรบ้างต่ก็มีประโยชน์ก่อนสวดมนแต่เราว่า ก็ยาวบางชั้นบางหายใจออกยาวยาวหายใจเข้ายาวยาว ม, มีประโยชน์มีความดันสูงอาศัลมหายใจเข้ายาวยาวหายใจออกยาวยาวความดันก่ลดเหมือนกินยาแช้ความดันสักเม็ดหนึ่งก็ได้ แล้วก็ได้ป่อยโปรดทำให้โปร ด, ปดมีพระละมีกำลังแล้วปวดมีกำลังก็สามารถพอกเลือดพอกลมจสื้อผก็จะดีได้ประโยชน์หลายอย่างในเวททางศาสนาจิตวิทยาวิถีวัดเป็นพละเป็นกำลังกันหนึ่ง ล้าก็ได้บรรยากาศที่ดีในตอนเช้าเช้าอาหารใจอาหารกายอ า, ากาศเป็นอาหารจำเป็นทุกๆุวินาทีนอกจากอาหารที่กินนข้าประทางะวานปากนาอากาศดีอ า, อ า, ารอาลมล์ดี ก็เป็นหลายส่วนที่ทำให้มีชีวิตชีวาดีขึ้นและได้พบมิตรพบเพื่อนวเพื่ออบดีมิตร ด, ดีจะหายดีเห็นก็เห็นสงเห็นญาเห็นโยมผู้อยู่ในการปฏิบัติกำลังละความชั่วกำลังทำความดีก็เห็นสมณะ ผู้สงบเป็นมงคลสำหรับผู้พบเห็นด้วยแต่เราก็ได้ปฏิบัติมีสติสติเป็นครูของกายของใจกายใจนี่ต้องให้ครูเป็นการศึกษา พ, พุทธศาสนา เขาสถิเป็นครูของกายของจิตใจเห็นเหต ก, การณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจสิจ่งที่ผิดก็มีจิงที่ถูกก็มีถ้าสิงที่ถูกก็ทำไปสิ่งที่ผิดก็แก้ไขแก้ความผิดไปทำความถูกไปเรื่อยๆในถ้าเราไม่จะตติ อาการที่เกิดขึ้นกับกายกับใจไม่มีที่ปิดบังอำพลางเห็นแม้กระทั่งความคิดที่มันเกิดจากจิตมีสติเป็นนายาวาวรบานเป็นเจ้าของกาดเป็นเจ้าของจิตใจจะเรียนลูกมาใช่ครูคู สอนที่เป็นผู้เป็นคนอาจารย์ตามวิชาต่างต่วุฒิภระก็สอนพระครูภาษศาสตร์ภาษาไทยวิทยาศาสตร์สงังเกตอะไรก็สอนกันไปอ น, นั่นได้ความรู้ได้ความรู้อาจจะเป็นวิชาชีพอาจจะเป็นปัญญาเหมือนกัน แต่สติสอนมาใช่ให้ความรู้ทำให้เป็นทำให้มันเป็นให้สัมผัสเอาสติไปสัมผัสกับกายอาสติไปสัมผัสกับใจเวลาได้เกิดนดีกาที่ใจให้รู้ให้เห็น เรีว่าสอนทําให้เป็นเช่นความหลงเกิดขึ้นรู้จักตัวให้เป็นเราที่หมายถูกต้องเรื่องรู้จักตัวควรออแก้ไขเปลี่ยนร้ายเป็นดีอันนี้ทําเป็นอาจทําให้มันเป็นสอนให้เป็นวิชาสอนให้รู้สติสอนให้เป็ น, สอ น, ส, ส, อ น, ปนสอนให้ทเป็น เรามันหลงเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงเป็นเรามันทุกเปลี่ยนทุกเป็นไม่ให้ทุกเป็นทุกข์ครั้งที่มันเกิดขึ้นมามันก็จะบทได้อันนี้ต้องสอนตัวเองช่วยตัวเองคำไปแล้วก็มีสติตามวิชากรรมาฐานมีสติไปนในกายเป็นประจํา การมีจิตไปนในกายลมหายใจก็เป็นกายรียกว่าอาปาปพปะลมหายใจเป็นที่เกาะที่ตั้งไว้มีสติตไปกับลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้เรีว่าอาณาปปปะส่วนการเคลื่อนไหวของการว่าสัมปชัญญะบัพธะ ตู้งเข้าเหยืเ่เฉืนออกอันนี้ว่าสมัชย์ญาปปะรู้สึกและเลือกได้เพียงพอความกระตุ้นให่เกิดความรู้สึกได้ดีจิตปภะการข้าไหวของจิตต้อให้รู้สึกตัวมันเคลื่อนไหวได้จิตมันจริ้งใหญ่กว่า กายก่ลมหายใจดันั้แต่มันละเอียดไม่มีใครเห็นเป็นการเคลื่อนไหวไม่มองเห็นกันได้ตาก็เห็นได้คนเดินก็มองเห็นได้แต่ความคิดไม่มีใครมองเห็นนอกจากสติที่อยู่กับเราที่ตั้งไรเจนหายใจเข้าหายใจออกก็อยู่ใกล้ใก้ก็รู้จด พองโยกพองโกที่ทองอันนี้ก็หอวมองเห็นแต่ความคิดมองไม่เห็นจุดได้ที่รับไม่มีอะไรปรับอับัดได้ปรับทุกปรับโทษไปได้ผิดกฎหมายไม่เป็นแต่ว่าวาจาายผิดกฎหมายมีคนเห็นมีหลักฐาน มีคลิปอะไรที่เขาว่ากันทุกวันนี้จึงอาจจะกลัวได้บ้างท้งว่าจจทางกายแต่ว่าใจนี่ไม่รู้จัอะไรใครอะไรก็คิดได้คิดได้ทุกเรื่องทุกเรามือกยังสิ้ได้ทุกก็ยังสิดได้ โโลกหลงก็ยังคิดได้ไมันจะแก้ตรงนี้มีเหมือนกันคนเราคนนีถ้ถูกกดถูกถอารมย์ยึดเอาใจไปกินไปคลองหมดความโกรธก็เป็นเราไปเลยความทุกข์ก็เป็นตัวตนไปเลยเอาใจให้จิตเป็นใหญ่เป็นโตเอาอารมณ์มาเป็น ตัวเป็นตนอารมณ์มนจิตเปือกรดก็คือจิตเปือกเลือกของฉันเคคือจิตจริงมันไม่ใช่มนเป็นอาการเป็นอารมณ์ไม่ใช่จิตเดิมจิต จ, จริงๆวันไม่มีอะไรบริสุทธิ์ไม่ปเปื่อนอะไรระจิตบริสุทธิ์จิตแต่เดิมนั่นนะ ตอนนี้เราใช่ไม่เป็นก็เปิดเพืเ่อนกลายเป็นจริตนิสยัยหลค่าเฉลี่เกิดจากความคิดโตสอเจลี่เกิดจากความคิดโมหเะเฉลี่ยก็เกิดจากความคิดทั้งนั้นยังมีสติก่อนที่จะดูจิตเห็นจิตเจกหายจิตที่มัอาการที่เกิดกะเพร็ดได้ต้องต้องเตรียมพ้อ อย่อมเความเปลี่ยนเครื่องเผาจลุดมีจตุติตั้งไว้เพื่อจะป้องกันความอาโกษยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหลังที่รอสาธัยพิสูตน์สมมาวายามะเนี่ยก็ที่เจ็ดเนี่ยมีความเปลี่ยนมีจตุมี สันไาปฏิบัติวิญญามาติวิญญาณพลัมมาติที่ตั้งปลายหนึติจัตวาตัา้งนั้นมีความเพียรเพื่อจะม้่งกันอกุศลที่ยังไม่ให้มาเกิดไม่ให้เกิดขึ้นเมื่อความเพียรเมืความป้องกันเพื่อละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่เกิดขึ้นอีกนี่คือจติ ไม่ใช่เอาอะไรปะไปละคือทำให้มันเป็ลี่ยนความลายเป็นความดีเรียกว่าละกุศลเป็นกุศลเปลี่ยนความผิดเป็นความถูกเรีวยกว่าละอกุศลเป็นกุศลนี่คือศรัทธามีศรีมีความเพียรแล้วก็เมื่อตั้งงั่นเพื่อ ให้สติที่เกิดขึ้นแล้วให้กุศลที่เกิดนแล้วให้เจริญขึ้นนังก็งามขึ้นให้ไปบบนขึ้นให้เต็มโลก น, นี้เดี๋ยวว่าทำเป็นเนื่อละกุศลแล้วกุศล ก, ก็ตั้งอยู่ได้นาน้ะเป็นเจ้าของสติเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของจิตใจอันนี้ต้องมีการกระทําตามวิชากรรมาฐาน ที่ตั้ ง, งการก ร, ระทำโดยเฉพาะสมศักดบับพพะนี่มันชัดเจนมีสติดูกลอยเคลื่อนไหวเห็นใจมันคิดนั่นนะมาเลยเปิดเลยของที่ข่วงเปิดออกของที่ข่วงหายขึ้นของที่ปิดเปิดออก ก็ม่จะตติ ด, ด, ดมันเป็นอย่างนี้ว่าจะอย่าไปเข้าไปเป็นกับมันอย่าเข้าบัเละความคิดจนเป็นทุก์เป็นทุกข์จนเป็นความพอใจไม่พอใจหรือว่าเข้าไปแล้วถหนอกมาอะไรเกิดตกกลายก็มันก็เข้าไปแล้ว เวทนาหนาคือเราจะเราปวดเราเว้ยสุขเวทนาลาขึ้นเรารู้เราจะสงบเข้าไปเป็นผู้สงบเข้าไปเป็นผู้รู้ก็เป็นผู้ผิดผู้ถูกซะนะมันไปแล้วอย่าให้ไปถึงโน้นให้รู้ใอ้รู้สักตัว ถอนออกมาการลู่สึกตัวคืวอถอนออกมาว่าใช่เอามือว่าใช่เอาตัวหนีไปไหนกายมก็สอนก า, ายใใจมก็สอนจิตใจถ้ามีสตินะว่าช า, บาละละวบ้านเราล้วความสมมติวาอีสานโเมียเมียตัวเหมือนลูกดอนหลับ ไหวไม่บ้านพ่อแม่ขึ้นไปปลูกให้ตื่ น, ต, นตื่นแล้วยังตื่นแล้วตื่นแล้วบางทีไม่ตื่นก็ลากแขนขึ้นต้องมาตื่นแล้วมาช่วยตัวเองนี่คือหูเมียตื่นแล้วรู้จักทิบจักทองภาษาะังการก่อนความรู้จักความระลึกได้เดว่าษาเสาะทายภาษา มาเ ร, รว่าสติสัมปชัญญะเวลภาษาชาวาจะเรียกอย่างไรภาษากี่ก็เรียกแบบหนึ่งภาษาจีนก็เรียกไปอย่างหนึ่งกคือก็คือความรู้จึกระลึกได้นั้นแหละันเดียวกันใครก็มีเหมือนกันแตรู้จึกระดึกได้ ได้เปลี่ยนความผิดเป็นความถูกต้องแล้วก็เหมือนกันทุกคนความผิดก็เหมือนกันแต่บางคนละวาระต่างวาระกันสิที่คนหนึ่งผิดลาจจะไม่ผิดบางคนไม่ผิดสิที่คนอื่นเป็นทุกข์บางคนอาจจะไม่เป็นทุกข์เพราะสิที่คนหอื่นเป็นทุกข์นั้นเพระอะไรเพราะหงัดตนศอนตน มันก็ต่างเก่าพ้นภาวะเดินหน้ายจะมีสติเป็นครูของกายของใจเรียกว่าได้บทเรียนได้ประสบการณ์วาสิตถะไปเรียนเรื่องนี้ไม่มีใครเป็นครูของพอองระองค์ตอดเรื่องโดยชอบเหมือนปัญหาต่างๆท่านโทรเลอ คุณของพรธเจ้ามีสองคืออะไรใช่ไหมในปัญหาในธรรมตัดลูพุทธประวัติคุณของพระเจ้าสองอย่างคือลายเหมือนน่าสงสาไม่เคยตอบได้เลยตอบได้บ้างไหมหรอคุณพระเจ้าไม่สองหมายถึงอะไรตัดลูกเองโดยชอบ ไม่เคยเป็นครูแล้วสอนคนหนึ่งลู้ตามในชีว่าสมหมาสสมพุทธโทนี่คุณของพระพุทธเจ้าประเสริฐด้วยฟองเองยกให้พระธรรมแน่แล้วแน่แล้วสอนคนเดินลู้ตามง่ายนี่เดก ว, ว่าเมื่อพระพุทธเจ้า ถ้จาจิตเจรินี่เกิดเป็นพุทธะขึ้นมาไม่มีใครมาสอนได้ศีลก็มาได้ขอจากใครถ้ามีสติก็ละความชั่วถ้ามีสติก็ทำความดีถ้ามีสติจิจโตดีชุต่นั่นหละคือศีล น, นันหลักคือละความชั่วนั่นหละคือทำความดี เราไม่จะตตินี่ยไม่ก็ไปกันหมดเลยเราจึงเอาจิตเป็นครูของเราไม่มีใครเห็นตัวเราเท่ากับตัวเราจึงจะเป็นต้องพาทำอย่างนี้เหี้ยงแต่ลรเป็นนิเป็นเพื่อนผู้แปรล้อมดีมิดดีจะหายดี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 ผู้ที่มาอยู่เพื่อปฏิบัติเนี่ยถ้าเรากำลังช่วยคนที่เราควอมช่วยทำความดีมันก็เป็นมันก็เป็นกุศลคน่อได้เกิดคนดีเกิดขึ้นจะได้ช่วยกันไม่ใช่โจรพร้ายัยางยินดีกับพวกเราที่มาปฏิบัติเนี่ย เหมือนกับนี่ที่พึ่งมันมีอยู่จริงเมื่อสอนเป็นแล้วทําเป็นแล้วมันไม่หมดมันไม่ลืมมันลืมไม่เป็นเพราะเห็นหลักฐานด้วยจากรูปู้จากนามตามก็เป็นจริงรู้วยเจอการที่เกิดขึ้นกับรูปกวานามมีมากมางหลายอย่างกิเลสก็พันหน้าต่าหาก็ร้อยแปด มันเกิดขึ้นในรูปที่นามนี้ก็ จ, จะได้เห็นได้แก้ขสที่ไม่ดีให้เป็นดีขึ้นมามันก็จะโบดเตินคนเป็นหลุดพุน่นเติมจะเป็นชีวิตชีวาที่ดีที่ประเสริฐเดื่อวมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐยิ่งปฏิบัติธรรมได้ ประสบการณ์ในบทเรียนเลยลประทําแล้วมาก็เหมนลถลประเสริฐ เ, เงินเหมือนเงินเฉนเงินล่างก็ชื่อไม่ได้พระพุทเจ้าบว่าปรมจนันนี้น่าดื่มเงินมันดะโยโตชาแห่งโหรถดมันดะขึ้นดวงที่มันหาได้จาก นัวม no, oh, okay, ันเดยอดออกชาแห่งโกรธโกรธคือหัวห่วแก่หัวที่เลี้ยงดีอาหารดีกำลังแข็งแรงดีเจ็ดร้อยแม่มาลีดดมต่อดมหัวที่มีกำลังดีแข็งแรงดีอาหารดี รวมกันเจ็ดรอยตัวไปทําเป็นเนยข้นน้อยเขิงน่าโอชาโคโรดเดี๋ยวนี่ไม่ได้เพียงเจ็ดรอยตัวหลงตาก็มีเลยข้นที่โยอมมาให้ช่วงปฏิบัติเข้มที่ผ่านมาว่าเขาทเองเอามา้ฉันดูเอง ว่าจะมาให้เพื่อนฉันแบ่งกันคนละก้อนแล้วก็ดูอันนี่ก็พอดีลดแต่มันไม่ใช่มันด่าที่แท้จริงไม่ใช่ได้จากแม่วัวเจ็ดรอยตัวตั้งใจทำจริงๆแบบนั้นนมวัวที่แสงง่างเจ็ดอยตัว พระเจ้าโศกไปรดต้นโหที่เขาถูกฆ่าตายยังคืนมาได้ต้นโพธิ์ที่ที่ถูกฆ่าตายไปแล้วแต่พระเจ้าโศกดีรักนอนเฝ้าจะพยายามให้ต้นโพธิ์ต้นนี้เกิดหน่อขึ้นมาอีกอาศัยนมโพธิ์เจ็ดรอยตัวในลดน้มจนหนอ่อโพธิ์เกิดขึ้นมา อยู่ทุกวันนี้อ น, นี้ก็เป็นไปได้มันด่ามันด่าเนี่ยอาจจะเป็นวัตถุแต่รสพิษ ธ, ธรรมมันมันประเสริฐกว่านั้นจึงไม่มีวิธีใดที่จะบอกที่จะเผยแพร่เพื่อให้คนที่เกิดมาได้สัมผัสกับรสพิษ ธ, ธรรมเช่นนี้ สัพพลัสังธบัลลัสโศขีณาติสัพพลัสังธบัลลัสโศทบัลลังทมาลติขินาติพระเจ้าทั้งสรรเสริญเนี่ยรถพระธรรมแนี่จึงไม่มีอันใดที่จะช่วยบรรลุโลกให้ดีที่สุดโนอกจากวิชากรรมาฐานมีอยู่จริง มรคนี่ผ่านมีอยู่จริงในชีวิตของคนที่เป็นๆอยู่เนี่ยว่าแต่ฝึกไปทางนี้มันมีทางอยู่ยุ่ยเย่เลยเราไม่จนเรื่องนี้มีพระสูตรมีบทเรียนมีการศึกษาด้านปริยัติก็มีนี่ก็มีภาสอบด้านปฏิบัติก็มีรวมันท้ทุละ การศึกษาเ่าเรียนวิปัจจนาทุละการนำมาปฏิบัติปฏิบัติเป็นเรียงเบียดเป็นสองที่เาราลองเพลงสมัยเป็นเด็กนักเรียนเราจอมเคยมีครูสอนแต่ว่าเมื่อสอนไปสอนไปก็เลยมีหนังสือเกิดขึ้นมาเขียนลายเป็นพตัตไตริดดก อ น, อนเ์ผู้จำมาหลายรูปเป็นผู้จำมานี่ก็ถามาอนุพุทธประวัติอนุพุทธบุคคลคือใครก็คือพระสาวกในความสำคัญอย่างไรสำคัญเช่นนี้มีผู้จำมาสมัยผู้เจ้าแสดงธรรมไม่มีเทป ไม่มีซีดีไม่มีอะไรบันทึกไว้เหมือนทุกวันนี้นอกจากว่าสาวกที่พักกันจําไปแล้วจาได้แล้วก็มาร้อยก่อมาบันทึกกุญเจวันนี้ผ่านไปต้องสองสามร้อยปีสัมัต่อกันมาเดี๋ยวก็มีคำถาม พระสาวกโลมใดมีการตัณฑ์โยกตะเวทีนนเนี่ยอนุปทธธเนพระสาวกโลมไหนมีกตัณฑ์โยกตะเวทีมากที่สุดพระเจา้าสนเสริญเป็นเอกตตคฆะในทางนี้จะมีพระสารีบุตรเป็นการตัณฑ์โตะเวที แต่ไหวหนึ่งมีพรามถุงพระุทธปริพาชกเป็นภาพแก่บ่ามีญาติพี่น้องมิจรธารต่อพระพุทธเจ้าตรนะอยากปลาบวดหนาผ้าก็ไม่มีหาบาทไม่มีก็พระพุทธเจ้ า, าถามพระสงฆ์พระสาวกเนี่ยอนุพุทธพุทธาเนี่ยคือพระสาวกก็สงฆ์้งรลอยพิจิตั้งรลอย พวกเธอเห็นคุณประโยชน์ของสุภ ธ, ธาปริปาชกคนนี้บ้างไม้ใครเป็นผู้ประการละภาษาได้บยกมือขึ้นกราบทูลว่าข้าพระเจ้าเห็นคุณของสุภ ธ, ธาคุณอรหลายสมัยหนึ่งสุพภ ธ, ธาในเคยใช้บาดให้ทัพผีดังจำไม่ลืมเลย เออถ้าเช่นนั้นเธอไปบวชได้เขาหาผ้าหาจีวรให้เขาปลอยกให้สาวนิบวชบวชนี่อุปการละคนผู้สาวกรลกนี้นอกจากนั่นก็ตอบแทนบนคมนมารดาบิดดาก็าคนที่สองคือตอบบนคนแทนบิดาบันดาว่าจะแดงปวดเมื่จนเป็นพระหรหัน มีน้องสาวีพี่ลวงน้องชายเท่าไหร่เอามาบวชหมดเลยเอาน้องเอาพี่มาบวชหมดเลยเลยเหลือแต่แม่แม่ก็เลยให้กลับบ้านไปสอนให้ด้วยได้สอนแม่จนได้เป็นพระหันบรลภพานที่บ้านเกิดเดดารันธาสานที่บวเนี่ย ใกล้ๆกับราจะคือเราขึ้นเขาคิดจะกูดเป็นหูเข้าขน้ำนารันธาใ น, นบ้านสาธุ์เนี่ยเป็นหนุ่มเจ้าสำลานโมกันลาเป็นเพื่อนกันเราชวนกันออกบวชเาก็เราขึ้นเขาคิดกูดบองไปนารันธานเนี่ยเห็น ทุ่นาเห็นคันนาเหมือนผ้าชีวรผาจีวรที่เป็นตัดเป็นรูปปตัตตกุสีอดุวาตได้มาจากนารันธาขึ้นไปเขาชิจกูดบ่อลงไปที่แต่วันหลอกจะเห็นคันนานารันธาเหมือนผ้าชีวรเราเนี่ยบ้านโดนเป็นคู้ออกแบบแต่ก่อนก็เผืนใหญ่ จยูนบลักพระเจ้าเลยหาวิธีเอาอยัางไงดีถ้าเลยเอาแบบเนี้ยตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นมาเย็บติดต่อกันนะให้เหมือนทุกนาลาันทาอาอนนเปผู้ออกแบบจนในแค่จิวรรูปนี้มาทุกวันนี้คือคื อ, คอสาวกนิว่ารูปพุทะในพระสูตต่างๆข้ า, านนท์ จำมเจงโคเดจนะเิงที่สวดพระเจ้าสนทึ์คือใครมีอกท่านในการแสดงธรรมไปก็คือพรหมกัจจะ ด, ดาเนี่ยเลิศอธิบายพาจิตีน้อยน้อยให้กว้างใหญ่พิสาลอธิบายราจิตีเยี่งกว้างใหญ่พิษาลใ์้น้อยๆอยเพศเจงล้วก็รูปงาม พวกพิจุลีสงพิจุลีั้งหล่อยชอบในบนไม่แสดงธรรมแต่ว่ารูปของม้ากระจียรนาเลยแต่มันเป็นรูปบนล้วนเนี่ยอันนี้ไม่ไม่ใช่รูปม้ากรเจนะียรนาองนี้นี่ก็คือแสดงนรรมเจ ง, เงนอกจากม้ากนะรเจียรนาแล้วป่าโนน สงภิพิจูนีชอบในวนเข้าไปสอนในสำนักสงฆ์พิจูณีมากจนมีภิจุอิจฉามีผ้าดีดีะวายของดีดีให้พระอ น, นุนแล้วก็แย่งกันไปเทศโปรดผู้หญิงจนได้ตั้งวินัยขึ้นวันนี้อาจจะถามในวินั น, นะ ทำไมจึงว <c oughs> ัดยาซะเราจะ พ, พจะจะจะจะิชิตญาติวันหยาตาพิชิตจุ่ที่ชมม่ได้ชมมุดสังสอนนาพิจิณณีพิจูไ ม, ม่ได้ที่ไม่ได้สมมุติไปสอนนาพิจิณณีต้องอับบัตรพอแย่งกันไปเช่นปฏิบัติธรรมไม่แต่ผู้หญิงใช่บาตก็มีแต่ผู้หญิงเราปาจีวอนที่เราได้ถือผ้าก็ถิ่กับผู้หญิง ภาพหน้าผลี่กัผู้หญิงเป็นผู้เกิดจะตตาคิดขึ้นมามีภาพหน้าผลชายมีผ้าจีวรทอดกระถินเนี่ยมีผู้หญิงเดี๋ยวว่ามหาปิจการไดว่าุอะไรนั่งอะไรเ <laughs> ออหนา้าเน่ยังมีประวัติแต่นเน่เอ๊ะนั่ก็มีประวชติเราเรียนปารียานะ เราเรียนปฏิบัติการไปสอบห้องกันพอดีปฏิบัติเป็นหนึ่งปริยัดเป็นสเนี่ยปฏิบัติก่อนก็ไปสอบไม่เคยเปเรียนห้องเรียนนักเรียนบาา้านป่าจนัวไม่เคยเรียห้องเรียนเลยสอบด้วยตนเองดยตนเองปฏิบัติทําไปก็สอบไปได้จบแล้วทํำกันเป็นส่วนมากแล้ว อันนี้จะเป็นโคได้แล้วขีดพุทธเกิดสุดท้ายไปหลังยิ่งเรามีปฏิบัติเนี่ยเดี๋ยวนี้เกยมสอนศาสนาะยิ่งกว่าพระจาสนาที่มาอยู่ไดเนี่ยมาจบประเทศทยเนี่ยนาครีกาธรรมปาละประเทศศีลังกานะเป็นโยมนะ ไปเผยแพร่ไปค้นคั่วไปฟ้องร่องเอาคืนเอาพุทธกยาคืนมาเอานารันธาคืนมาเอาายสิบประละคืนมาเป็นของพวกคินดูไปทั้งหมดแล้วก็ได้หลักฐานสงสารต้นจีมาโพคนณนาลันธาเป็นผู้ายคนหนึ่งอดากาลิกาธรรมปาละ ก็ช่วยจอด้าขึ้นมาจะมาถึงเขาจะหโศกคลื่นขึ้นมาจะมาถึงส่งทูด ม, งมางลก็จสาะกกันนะ่ะทูดมงบางไทยเราเนี่ยเดียวว่าส็โศนา่าตัวนิเวศาะอะไรสองลูกน่ยก็สาวโบกนนะ่ะมา ยังมีความสําคัญพวกเราเป็นนักบวชนี่ก็ mm hmm. ก็เสด็จต่อก็สอนต่อมาเรื่อยๆมาจนถึงวันนี้อันเดิมมีสติดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจมันจิดผู้ขุนเจ้ากับผู้เฉีนเข้ารู้จุกตัวเหยียบฉันดอกรู้จุกตัวในวันตัดจะรู้นอน จนม้ปางมานวิชัยแต่ก่อนาจะนั่งนี้ว่า็ยกมือมานี่ปางนี่ก็จัดสรูือัางนี้เกิดปัญญานะแล้วก็สอนกันตามฉบับเดิมไม่ใช่ของใหมนะ่ของตกโตกแต่เท่านียมีจิตดูกาเคลื่อนหวเห็นใจคิดที่โลสม บ, บัติชาบัพภพ อนนาณาบะ ป, ะ, ปะหายใจเข้าบริกรรมพุโตพุโตกับอีกจิตบาป ะ, ปะเห็นความคิดทด้สอนจิตด้ว่าจิตบะปะอันเดียวกันเธอไม่แปลกเลยให้ตัดสิงใจสมศึกษาเรื่องนี้กันบ้างอย่ารอเวลาให้รีบด่วนจักหน่อยลองมีความรุกเป็นบื้องน้ มีจริงๆความแปรความเจ็บความตายมีจริงๆพัฒนาแต่ของเล็กของชอบใจมีกันทุกคนเราจึงมีวิธีนี้ต่อน้นที่จะทำให้เราอยู่เหนือจริงเหล่านี้ได้ให้มีความจ์ไปยาวนาวให้สมัมใหเข้าถึงสัจธรรมตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวนั้นอยู่เนี่ยอ่าก่ น, นี้ก็สมควร ก็พ่อพงศ์ก่อน